พวกเรามาปฏิบัติกันที่นี่ก็ขอให้ได้สัมผัสกับความสุขความสุขนี่มันก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงให้เรามีกำลังในการปฏิบัติได้เพราะว่า คนเรานี่มันก็ต้องการความสุขนะส่วนใหญ่ก็ไปหวังพึ่งความสุขนะจากวัตถนะุที่เรียกว่ากามแล้วก็คิดว่ามันมีแค่นั้นนะที่เป็นความสุขแต่ที่จริงแล้วมันยังมีความสุขอย่างอื่นชนิดอื่นอีกซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับนักปฏิบัติ เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมีความติดขัดหลายอย่างต้องอาศัยความเพียรและคนเราจะทำความเพียรได้ดีมันก็ต้องมีเครื่องหล่อเลี้ยงนะนอกจากกำลังกายกำลังใจแล้วนะการมี ความสุขมันก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอันหนึ่งที่ทาให้เรามีกำลังมากขึ้นหรือว่าทำได้ต่อเนื่องพวกเราก็เรียกว่าออกจากบ้านหรือว่าหลีกเล่นจากบ้านมาอยู่ที่นี่มามีความสุขแบบมามีชีวิตแบบง่ายๆเป็นชีวิตที่ เรียกว่าปลอดจากรกามหรือว่าไกลจากรกามกามในที่นี้ก็หมายถึงรูปลถกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็ไม่ถึงกับว่าปลอดหมดทีเดียวนะอาหารการกินที่อริจอร่อยหรือว่าถูกใจเราก็ยังไปคล้องแวะอยู่ อันนี้ก็เรียกว่ากามแต่ว่าเราไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่สุดท้าแต่ว่าใครเขาจะมาเอามาให้เราไม่ได้ไปขว น, นขวายเหมือนกับตอนเป็นโยมหรือว่าเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านอยู่บ้านนี่ก็เสียเวลาไปกับเรื่องการแสวงหาสิ่งปนนประเดตน แต่ว่าที่นี่ชีวิตที่นี่เราก็จัดสรรเพื่อให้เราอยู่แบบง่ายๆการอยู่แบบง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถจะสัมผัสกับความสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายได้เนี่ยมันก็ดีแตถ่ถ้าใครยัง สัมผัสตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีความทุกข์เพราะว่าสุขจากกามก็ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่แล้วก็จะมีสุขอย่างอื่นเข้ามาทดแทนก็ไม่มีอันนี้ก็ทำให้มีความทุกข์ได้เพราะอย่างที่บอกไว้แล้วคนลรมต้องการความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ถ้าไม่ใช่สุขที่อยาบ ก, ก็ต้องเป็นสุขที่ประนีตนะถ้าไม่ใช่สุขจากกามก็ต้องเป็นสุขจากการปอดจากกามที่เราเรียกว่าเนขมมะสุกเนคขมมะ <c oughs> สุขนี่มันตรงข้ามกับกามะสุขนะกามะสุขคือสุขที่เกิดจากการได้เสพรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ว่าเนขมัสุขนี่เป็นสุขที่เกิดจากการออกจากกามหรือการไกลจากกามมันต้องมีอย่างน้อยๆต้องมีเน่ยขมัสุขเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราถึงจะสามารถจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีกำลังในการปฏิบัติไม่งั้นก็จะก็จะโหยหา เกิดนิวรณ์ที่เรียกว่ากามฉันทะรบกวนอยู่เป็นประจํจาจนกระทั่งก็อาจจะอยู่ไม่ไหวเพราะชีิมันมันแห้งเกินไปอันนี้พระพุทธองค์ก็เปลี่ยนเหมือนกับเนื้อหรือกวางนะกวางกวางนี่ถ้ามันติดใจในทุ่งหญ้าในหญ้าที่เขียวสดมันก็จะมีความสุข ปรเดี๋ยวเดียวแต่ว่าก็เสี่ยงอันตรายเพราะว่าพรานก็จะมาคอยดักยิงพรานในที่นี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงความทุกข์นะคือส่วนหญ้าเขียวนี่ก็เหมือนกับกามนะเนื้อนี่ก็ก็คือเรานั่นแหละถ้าเราติดใจในกามก็เสี่ยงอันตรายเพราะว่าเสี่ยงต่อความทุกข์นะ เพราะกามนี่มันเป็นของเผ็ดร้อนมันให้ความสุขก็จริงแต่ว่ามันก็เจือไปด้วยทุกข์ทุกข์เพราะอยากทุกข์เพราะขนขวายทุกข์เพราะรักษาทุกข์เพราะแย่งชิงแล้วก็ทุกข์เมื่อเกิดการพัดพราอันนี้ก็เป็นความทุกข์บางส่วนเท่านั้นนะของกามก็เปลี่ยนเหมือนกับ เปรียบเหมือนกับพรานที่คอยดักยิงและส่วนใหญ่ก็ก็โดนมันโดนยิงนะกันทุกตัวเลยโดนลูกศรปักตรงนั้นตรงนี้บ้างนี่คือสภาพของคนทั่วไปเอาคนที่ติดอยู่ในกลามนี้บางทีพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับเป็นคนที่ เป็นโรคเรือนนะคนโรคเรือนเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็อยากเกาหรือไม่ก็ไปไปนั่งอยู่ใกล้ๆไฟให้ไฟมันรมเมาทาั้งๆที่การทำเช่นนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะทำให้แผลนี่มันเปิดแล้วก็มีกลิ่นเหม็น แต่ว่าคนไปลกเลื้งก็ยังอยากเกายังอยากไปอิงอยู่ใกล้ไฟเพราะอะไรก็เพราะว่าการทําเช่นนั้นมันให้ความสบายเนือ้อสบายตัวอยู่บ้างเหมือนกับเวลาเราคันเนี่ยเราก็อยากเกาและการเกาเนี่ยมันก็ทําให้เราสบายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแผลเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นบางทีเกาจนถลอกเลย นะกามกามก็เหมือนกันนะมันก็ให้ความสุขกับเราในการเสพแต่ว่ามันก็มีโทษโทษนี่ก็มากด้วยแต่ทั้งทังทง้ที่รู้ว่ามีโทษหรือว่าทั้งๆ ท, ที่ได้เจอโทษแต่ว่าก็ยังหนีจากกามไม่พ้นเพราะมันให้ความสุขอันนี้พระองค์ก็เลยเปรียบเหมือนกับ <c oughs> เปรียบเหมือนกับคนที่ไปโลกเรือนนะ เกาเกาก็ดียิ่งเกาก็ยิ่งมันหรือว่ายิ่งไปอยู่ใกล้ไฟมันก็มันก็เกิดความสบายตัวอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าแผลมันก็ไม่หายแผลมันก็ขยายแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะอันนี้ก็พูดถึงกวางว่าเนี่ยกวางถ้าหากว่ามันติดใจในหญ้าเขียว มันก็โดนพรานยิงวิธีการที่จะอยู่รอดปลอดภัยคือว่าหลบเข้าป่าหลบเข้าป่าแต่ว่าถ้าในป่านั้นไม่มีอะไรกินมากเท่าไหร่มันก็ต้องหวนกลับมาที่ทุง่งหญ้านั้นอีกเสร็จแล้วก็โดนพรานยิงอีกเหมือนเดิมนะกวางที่หลบเข้าไปในป่านะก็ เปรียบเหมือนกับนักบวชนะหรือนักปฏิบัติธรรมเราทิ้งบ้านทิ้งเรือนแล้วก็ทิ้งกามไปอยู่ไกลจากกามแต่พอไปอยู่ป่าหรือไปอยู่ในชีวิตที่ไปมีชีวิตที่มันไม่มีกามปรนเปลอก็หวนหาอาลัยนะมันมีแรง แรงกระตุน้นแรงโหยหาที่ทำให้อยากจะกลับไปหากรามอีกอย่างคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือ เ, เป็นนักบวชแล้วก็ไม่สนใจปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมแต่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้องเกิดความเครียดมาถึงจุดหนึ่งก็ท้อก็อยากจะกลับไปกลับไปที่บ้านหรือก็ศึกหาลาเพศไป เพือจะได้ไปาหาความสุขจากรูปรถกลิ่นเสียงเหมือนเดิมก็มีหลายคนนะก็รู้ว่าเนคข ม, มัสสุขเนี่ยเป็นของดีเป็นสุขที่ประนีตแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็ยังไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนคข ม, มัสุขอันนี้ก็เป็นกับ พระโพธิสัตว์เองพระโพธิสัตว์ก็หมายถึงพระพุทธองค์ตอนที่ยังไม่ตัดสรู้พระองค์เคยตรัสว่าแม้จะรู้ว่าเนคข ม, มัสสุนะคือสุขที่ปลอดหรือไกลจากกรารมเนี่ยเป็นของดีเป็นของประเสริฐแต่ว่าจิตก็ยังไม่ตั้งมั่นไม่เลื่อมใสไม่โน้มไปทางเนคข ม, มสัสสุเพราะอะไรก็เพราะว่ายังไม่เห็นโทษของกราร ม, มัสุขอย่างแท้จริง แล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสกับเนคขมะสุขนะคือการเห็นว่าเนคขมะสุขเป็นของดีเนี่ยมันจะเป็นแค่ความคิดแต่ว่าใจเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้สึกเจ็บแสบกับกับการมัสุขแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสกับความสุขจากการปลอดกามใจที่จะสัมผัสความสุขนี่เป็นเรื่องของการสัมผัสจริงๆไม่ใช่แค่คิดเอา หรือว่าการที่เห็นโทษของกามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นแค่ความคิดมันต้องเจอจริงๆต้องสัมผัสจริงๆถึงจะเกิดความรู้สึกเข็ดลาบนะแต่เข็ดลาบแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่สัมผัสกับสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าคือเนคขมาสุขเนี่ยใจก็ยังไม่ตั้งมั่นนะนะคนเราเนี่ยมัน จะทำอะไรเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ความคิดอย่างเดียวต้องอยู่ที่ใจด้วยหรือหรืออารมณ์อย่างคนที่อยากจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่เขาก็รู้นะความความคิดของเขาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเล่าบุหรี่ไม่ดีแต่ว่าใจนี่มันยังไม่น้อมตามใจมันก็ยังติดวนอยู่กับกับเออเล่าบุหรี่อยู่แต่ถ้าเกิดว่า ได้สัมผัสกับความสุขความโปร่งเบาหรือได้นึกถึงชีวิตที่มันเคยปลอดจากสิ่งเหล่านี้ก็จะมีกำลังที่ทำให้เกิดความเพียรในการลดในการละในการเลิกได้อันนี้พระองค์ก็ชี้เห็นว่าเนี่ยการที่จะได้สัมผัสกับเนคขมัสสุขเนี่ยนะการที่ใจนี่จะไปตั้งมั่น ในเนคขมัสสุเนี่ยต้องได้สัมผัสกับนเนคามัสสุนะใจถึงจะโน้มเอียงไปทางนั้นงั้นเราอยู่ที่นี่ก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ได้สัม <c oughs> ก็พยายามให้สัมผัสกับสิ่งนี้หรือเปิดใจรับสิ่งนี้ว่าเออพอปอจากกามแล้วมันเป็นยังไงชีวิตนี้พอเรียบง่ายมันไม่วุ่นวายจากเรื่องกามแล้วก็มีความสุขนะเป็นสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายอันนี้ก็คือเนคามัสุข พระองค์ก็เปลี่ยนเหมือนกับว่าก็เหมือนกับกวางนะคราวนี้กวางเนี่ยหลบเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอไปเจอแหล่งแหล่งอาหารนะถ้าเจอแหล่งอาหารในในป่าหรือใกล้ป่าก็ก็จะไม่มีความรู้สึก <c oughs> อยากจะหวนกลับไปที่ทุ่งหญ้านั้นเลยเพราะว่ามันมีที่ที่ดีกว่า ในป่าใกล้ป่านี่มันมีแหล่งอาหารที่ดีกว่าทีนี้ก็ไม่กลับละไอทุ่งยานั้นไม่รู้จะกลับไปทําไมเพราะอันตราย <c oughs> ก็คัอวเมื่อหลีกเล่นจากกามแล้วได้พบความสุขพอพบความสุขแล้วคราวนี้ไม่อะไรในกามแล้วนะแต่แต่ใดที่ยังไม่พบความสุขตรงนั้นเนี่ย หรือไม่พบแหล่งอาหารเนี่ยมันก็ยังหวนกลับไปหาความสุขจากกลามหรือกลับไปหาทุ่งหญ้าอิ่งเหมือนเดิมนะความสุขที่ที่เหนือกลางนี่มันก็มีหลายขั้นนะในคำมาสุขนี่ก็อันหนึ่งแล้วคือความสุขที่ปลอดจากกลามมันสุขยังไงคือมันไม่วุ่นวายนะไม่วุ่นวายในการที่จะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปนเปื้ตน ไม่ต้องไปเสียเวลาเที่ยวทางไปซื้อน่นซื้อนี่ซื้อมาแล้วก็ต้องอยงอยังต้องดูแลยังต้องหาเวลาที่จะใช้มันคือถ้าไม่ใช้ก็เสียดายเงินนะมีมีทองก็อยากจะอวดมีเพชรก็อยากจะอวดมีเสื้อก็อยากจะอวดแต่ว่ามีเสื้อเป็นร้อยเนี่ยจะออกงานก็ไม่รู้ใส่เสื้อตัวไหนนี่ก็เป็นทุกข์ของคนรวยนะ เวลาจากงานนี่ไม่รู้จะใส่เสื้อตัวไหนดีเพราะเสื้อมันมีเป็นร้อยรองเท้าก็มีเป็นร้อยเครื่องเพชรนี่ก็มีเป็นสิบนะเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งมีใส่แล้วก็ยังก็ไม่แน่ใจว่าของเราที่มันจะเท่าเทียมทัดเทียมกับคนอื่นไหมหรือว่าจะน้อยหน้าจะสมศักดิ์ศรีของเราไหมนะสมศักดิ์ศรีเป็นของคุณหญิงเป็นสมศักดิ์ศรีของท่านผู้หญิงไหม สมศักดิ์ศรีของเศรษฐีร้อยล้านไหมหรือว่าสมศักดิ์ศรีของเศรษฐีพันล้านไหมนี่ก็เป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆแต่มันก็รบกวนจิตใจแต่พอเราไม่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยสบายมีเสื้อไม่กีดตัวมันไม่ต้องคิดแล้วว่าจะใส่เสื้อตัวไหนไม่ต้องคอยระวังรักษาอันนี้เลยว่าเป็นเป็นความสุขนะจากการปลดจากการ นี่แค่ตัวอย่างเล็กๆนะคือชีวิตมันไม่วุ่นวายไงไม่วุ่นวายไม่ต้องไปคอยแย่งชิงกับใครเมื่อได้สัมผัสกับเนคัมมาสุขแล้วเนี่ยแล้วก็มีการปฏิบัตินะตามไปด้วยก็ทำให้ได้พบความสุขที่ปนนี่ขึ้นเป็นสุขที่ เรียกว่าสังกัดจากกามอันนี้เราเรียกว่าปวีเวกสุขนะสุขที่สงัดจากกามทีแรกเนี่ยมันปลอดจา ก, กรามก่อนปลอดแล้วเนี่ยก็เลยไม่วุ่นวายพอไม่วุ่นวายแล้วเนี่ยได้พบความสงบพอได้พบความสงบนะเราก็จิตใจไม่โหยหาไม่โหยหาความสุขอย่างที่เคยมาเคยเป็นเคยมี นิวรณ์ไม่รบ ก, กวนกามฉันท่าไม่รบ ก, กวนก็เกิดความสงบในใจขึ้นมาไม่ไม่ใช่แค่ชีวิตไม่วุ่นวายเท่านั้นแต่ใจก็สงบสงับไม่มีการมรบ ก, กวนหรือรบ ก, กวนน้อยอันนี้เราเรียกว่าปลดวิเวกกระสุกนะก็เหนือกว่าเนคขมัสุขและถ้าปฏิบัติตรนกระทั่งออไม่ใช่เพียงแค่ได้พบความสงบนะจากสมาธิภาวนา แต่ว่าได้ไดเห็นกิเลสของตัวเองนะแล้วก็ลดละอาสวะกิเลสลงไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็กลายเป็นความสุขนะอีกขั้นหนึ่งนะเป็นความสุขที่สงัดนะเรียกว่าไกลาจากกิเลสแล้ว แล้วอุปสมะสุขนะกิเลสไม่รบกวนแล้วนะนะกิเลสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกามากิเลสอย่างเดียวนะแต่เป็นกิเลสอย่างอื่นด้วยเพราะกิเลสมันมีนมหลายตัวนอกจากตัณหาที่เรียกว่าการมาตัณหาแล้วมันก็ยังมีภาวะตัณหามีวิภาวะตัณหาคือความอยากเป็นโน่อนอยากเป็นนี่ความอยาก <c oughs> เด่นอยากดังนะ หรือว่าความอยากให้เป็นที่เคารพความอยากจะมีหน้ามีตาให้พอปฏิบัติเราก็เห็นกิเลสตัวนี้ด้วยนะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าให้นี่มันเป็นเพราะเราไปหลงในไปสำคัญบรรหมายในตัวกูของกูมันก็เลยเป็นท่ายของตันหามมานะแล้วก็ทิฏฐิอันนี้ก็เป็นอาการของกิเลสอาการของตัวตนที่มัน อยากมีอยากใหญ่หรือว่าอยากแสดงตัวว่าฉันเก่งฉันถูกนะพอเราปฏิบัติเราก็เห็นโอ้มีปัญญาเห็นว่าความสำคัญยึดมั่น น, นในตัวตนหรืออุปาทานเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ยังไงบ้างแล้วมันหลงมันทำมันมันล่อลอกเราอย่างไรบ้าง เมื่อเห็นแล้ว ก, ก็ลดแล้วก็ละแล้วก็ อ, อ, อาจจะยังไม่ถึงกันเลิกทีเดียวนะแต่ก็ลดละแล้วไกลแต่เบาบางจากความสาคัญบ้านหมายในตัวตนกิเลสมก็เบาบางนะก็เรียก ว, ว่าตอนนี้สงบจากกิเลสแล้วนะเป็นสุขพระสงบจากกิเลสแล้วเรียกอุปสมา ส, สุขการปรุงแต่งมันน้อยลงนี่องถ้า ปฏิบัติทำจนรู้แจ้งนะรู้แจ้งละกิเลตได้นะอย่างสิ้นเชิง<ม>ก็เป็นสุขที่สุดยอดละเรียก ส, สัมโพทสุขนะสุขจากการตัดสรืสุขจากการรู้แจ้งถ้ามาถึงขั้นนี้นี่นะก็เรียกว่าเรียกว่าเสร็จกิจนะ เสร็กิเจหน้าที่นะพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะพวกเราก็ต้องเพียรพยายามนะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ได้สัมผัสกับเน่ฆมาสุขคือไม่ไม่ไม่ไปรู้สึกว่า ไ, ไม่ไปรู้สึกว่าชีวิตทีต่เรียบง่ายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ลำบากมันเป็นชีวิตที่แห้งแล้ง แต่ปอใจในการที่จะอยู่แบบง่ายๆที่จริงเนี่ยคำว่าสุขเนี่ยแม้ไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยมันก็สัมผัสได้เหมือนกันนะคนที่เขาเคยอยู่ในเมืองที่มันวุ่นวายแม้จะมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากมายมีที่เที่ยวแต่ว่าเขาก็รสึกเล่าร้อนนะจิตใจกระสับกระส่าย แต่บางทีก็ยังยังหลงไหลในเสน่ห์ของกรามอยู่แต่พอมีเหตุจำเป็นให้ต้องหนีเข้าป่าหนีมาอยู่วัดเนี่ยเช่นอาจจะเป็นเพราะมีหนี้สินต้องการหนีหนี้สินยังไม่มีเงินจ่ายไม่รู้จะทำยังไงก็หลบมาก็มีคนเคยหลบมาหลบหลบเจ้าหนี้มาไม่รู้ทำยังไงพี่สาวแนะนาให้หลบมาอยู่ที่นี่ ก็มาด้วยความทุกข์นะวันสองสองสัปาหแรกก็ร้องไห้นะ่เป็นผู้ชายรนะ้องไห้ไปอยู่หอไตยสมัยก่อนหอตายแต่ก่อนอยู่ตรงโน้นอยู่ข้างบนตรงกุฏิแปดไอยู่คนเดียวนะโทรทัศน์ก็ไม่มีดูอาหารก็ไม่คุ้นปากไหนจะคิดถึงลูกไหนจะคิดถึงความสุขที่เคยมีร้องไห้แต่พออยู่ไปได้สักอาทิตย์หนึง่ง เริ่มปรับตัวได้พออยู่ที่ที่สองเริ่มมีความสุขนะเขาในครั้งที่เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเท่าไหร่แต่ว่าการมาอยู่แบบนี้เนี่ยชีวิตมันเรียบเรียบง่ายๆไม่มีเรื่องเดือดเนื้อล้อนใจไม่ต้องไปแข่งกับใครพอปรับตัวได้กับชีวิตที่เรียบง่ายคราวนี้เขาก็สบายเขาก็มีความสุขวันวันหนึ่งก็อ่า กวาดนะกวาดศาลาถูพื้นแล้วก็ช่วยงานวัดพออยู่ไปได้สักเดือนหนึ่งก็ขอบวชรู้สึกมีความสุขเนี่ยนี่แม้แต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมาอยู่ในชีวิตที่เรี่ยงง่ายแบบนี้เขาก็มีความสุขได้ถ้าเขาถ้าเขายอมที่จะบังคับตัวเองให้อยู่ในสภาพแบบนี้ส่วนใหญ่บังคับตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันมีทางไป อยู่สักสองสามวันอยู่ไม่ไหวร้องไห้คิดถึงบ้านก็หนีไปแต่นี้เขาหนีไม่ได้มันไม่มีทางไปพอไม่มีทางไปแล้วก็เลยต้องบังคับตัวให้อยู่ที่นี่ก็าอยู่ไปอยู่ไปก็อยู่ได้นะแล้วก็มีความสุขนี่เลยว่าคนเราทําให้ปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ถ้ามาอยู่แบบนี้เนี่ยสักพักหนึ่งนะนก็อยู่ได้แล้วก็พอใจด้วย อันนี้เราได้สัมผักามาสกันไดขำมัสสุแต่ว่าถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยก็ต้องนะให้ได้ปฏิบัติจนกระทั่งได้เข้าถึงปวิเวกสุขนะคือสงัดจาักกาไม่มีความโหยโหยโหยหาอะไรเพราะมีความสุขจากสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพอจะไม่มีความสุขจากสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันก็ยังหวนหายังอาลัยยังนึกถึงอยู่ นะสุขจากสมาธินี้ก็อย่างที่บอกเมื่อวานนะมันก็มีทั้งสุขโดยสุขที่เป็นความสงบสงบมันมีสองอย่างสงบโดยไม่รู้หรือสงบโดยตัดขาดจากการรับรู้ปิดตาไม่รู้ไม่เห็นอะไรหรือสงบ ท, งทั้งทั้งที่รู้แต่ก็ปล่อยวางได้อันนี้เกิดจากสติแล้วก็ปัญญา อุปสมาสุขเนี่ยมันทำได้สองแบบนะจะใช้สมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้แต่ถ้ามีวิปัสสนาเนี่ยแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาก็สามารถจะนับไปสู่อ่าสุขจากการตัสรู้สัมโพธสุขได้นะปะวิเวกสุขก็ยังไงก็เข้าให้ถึงนะแล้วก็ค่อยเลื่อนขยับขึ้นไปเป็นอุปสมาสุขนะ สุขจากสมาธิภาวนาที่มันทําให้ไม่มีกิเลสมาลบกวนกิเลสไม่ลบกวนก็เกิดจากการกดข่มก็ได้หรือเกิดจากการที่รู้ว่าไอ้กิเลสนี่มันมีร่างงอมาจากอะไรมันมีมีร่างงอมาจากความหลงหลงเพราะมีความหลงว่าสําคัญตัวว่ามีตัวตนมันก็เลยเกิดความยึดติดขึ้นมาเกิดความยึดเกิดความอยากขึ้นมา ตรงนี้จะละได้ต้องมีปัญญาเพราะถ้ามีปัญญาในความหลงมันก็ยังครอบงำแต่มันอาจจะถูกกดเอาไว้ชั่วคราวด้วยอำนาจของสมาธิกิเลส ก, ก็ไม่กวนแต่ความหลงก็ยังนอนก็ยังยืนพื้นอยู่ถ้ายงมีความหลงกิเลส ก, ก็ยังลบ ก, กวนอยู่แต่ถ้าความหลงมันบรรเทาเบ า, บาบางไปหรือหายไปมันก็ไม่มารบ ก, กวนอีกต่อไป เราก็ต้องเลื่อนขั้นนะเลื่อนขั้นของความสุขที่หล่อเลี้ยงใจแต่ก็อย่างที่บอกนะอย่างน้อยก็ต้องให้ได้เนคขมาสสุขก่อนไม่ว่าจะบวชเป็นพระหรือว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ค่อยอาศัยการปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติก็ดีการทำสมาธิภาวนาก็ดีเนี่ยค่อยๆพาพาใจเราให้ยกขึ้นสู่ที่สูง สัมผัส ก, กับความสูงที่ปันญีขึ้นปันญีขึ้ น, ป ร, นประเสริฐขึ้นเดือเพราะเมื่อมีปัญญานะที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยเป็นเป็นเครื่องนําทางและมีสติเนีเป็นตัวเป็นเหมือนกับหางเสือเนี่ยมันก็จะทําให้ได้เข้าถึงความสุขที่ประเสริฐที่สุดได้อาจจะในชาตินี้ก็ได้นะเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้